ดังนั้นการทําความเพียรการเข้าไปศึกษาการเพื่อเฝ้าดูการไปจัดการทางกายก็ดีทางรูปก็ดีทางนามก็ดีเนี่ยตัวรู้มันก็กลับเข้ามาและตัวรู้ตรงนี้มันก็รวมกันเป็นพลังให้เกิดความชัดเจนในการสังเกตก็เป็นตัวเหตุแกยให้เกิดปัญญาอันนี้ความว่ามันตัวรู้หรือสติสมาธิสมชัญญะเนี่ยมันก็ให้เกิดปัญญาอย่างไรมันเป็นของมันเองเหมือนกับเราจัดการเซต ร, ระบบ อันนั้นนีเรียบร้อยแล้วทำงานได้เป็นปัญญาก่อนที่จะมาออกมาทำงานได้มันก็ต้องระบบหลายอย่างอันนั้นอันนี้นเครื่องไฟเนี่ยต้องเปิดพลังว์ต้องเปิดเครื่องเสียงต้องเปิดตัวนั้นตัวนี้กว่าจะเซตตัวนั้นได้ก็จะมาใช้การได้หลายระบบเหมือนกันอนะกวจะมาเป็นตัวรู้ได้เนี่ยมันไม่รู้จะผ่านความเพียรผ่านความสติความรู้สึกตัวผ่านสมรชญาญผ่านความตั้งใจ ผ่านฉันท่าควาพอใจที่จะทําอะไรมันก็ผ่านหลายตัวเป็นฟังก์ชั่นของมันดันั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าเก็บอารมณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนใหม่แล้วอาจจะตั้งจิตไม่ถูกไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไรก่อนก็เหมือนเราปฏิบัติที่นี่แหละว่าก็ต้องดูสภาพพร้อมตัวเองก่อนว่าจะนั่งพร้อมที่จะนั่งหรือพร้อมที่จะเดินแต่เวลาเก็บอารมณ์เนี่ยพยายามนั่งให้มากเดินเนี่ยเอาไวไ้เป็นอินิบทดผ่อนคลายเท่านั้น ไม่ใช่เป็นอีโหลักนะดัง น, นั้นก็ผู้ชายเราลองดูสามท่านคุณเจรัญคุณต้นกาคุณหมอแต่ผู้หญิงเราทั้งสามท่านคุณเอื้องคุณเกยุณมลายศรีจากนั้นแล้วก็ดูว่าใครต้องการไดอารมณ์ต้องการตะเกียบอารมณ์ก็จะดูเป็นรายไปเพราะว่าเราต้องการศึกษาให้ครบขบวนความของการจริยสติแบบนี้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 ผลิตผลออกมาเป็นความพี้และอารมณ์ต่างๆตร ง, ง, งนั้นมันจะทำให้เราเก็บมันไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านอุ่นวายปวดเสียนเวียนก้าออึดอัดอะไรต่างๆเป็นไปสัดเพราะเราไม่ทันตัวความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามนี้นะเพราะนั้นเองการปฏิบัติโดยวิธีนี้มันเหมือนกับไก่ที่มันไข่ไประยะหนึ่งมันก็ต้องการฝัก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 ที่เป็นสมมติเรารู้ต่อสิ่งเหล่านี้ในสาสี่วันเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารู้สิ่งเหล่านี้ว่าที่เข้าใจเนี้ถูกหรือไม่ถูกมันก็เราไปพิสูจน์เป็นที่เราเก็บอารมณ์ว่าเราจัดการกับอารมณ์มาแต่ละตัวนี่ได้ถูกต้องไหมอ่าถ้าได้ถูกต้องหมายควมว่ามันก็เป็นความชัดเจนอีกต่อไปมันก็จะทาง่ายขึ้น ความจริงแล้วการเก็บอารมณ์คือต้องการที่จะโฟกัสฝึกโฟกัสจิตให้อยู่หน้าปัจจุบันให้เข้มแข็งให้แน่นอนคือสติสมาธินั่นเองเมื่อเก็บอารมณ์เป็นเนี่ยเวลาเราก็จะอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวเราก็จะระวังความคิดอยู่กับมิตรเราก็จะระวังการพูดจาอย่างเป็นต้นนะแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์จะได้อยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่นหาเรื่องมาคิดหาเรื่องมาทําหาเรื่องมาพูดหาเรื่องมา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 เราจะเห็นความต่างของสองสภาวะจิตนี่พอเห็นความต่างแล้วก็เราจะเห็นว่าเ อ, อจิตมีความคิดเหมือนเราจับของที่มาถือเอาไว้รู้สึกอย่างไรถ้าจิตไม่มีความคิดเหมือนกับเราวางของนี้ลงไปรู้สึกอย่างไรโดยสัรชาติยานก็คือถ้าถือของมาก็รู้สึกหนักเป็นภาะระแต่เราวางของสิ่งนี้ลงไปรู้สึกเบาเป็นอิสระให้จิตได้สัมผัสความเป็นเบาและเป็นอิสระเนี่ยบ่อยๆเพราะ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 แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องการให้จิตเป็นอิสระรับรู้ต่อสภาวะที่มีอยู่โดยไม่เข้าไปยึดประคองไปถือไปเป็นเจ้าของแต่ในกรณีที่จิตมันมีอารมณ์มีความคิดบางเรื่องบราผูดขึ้นมาทำอย่างไรเราก็ต้องมาตั้งต้นที่การปรับ อารณ์รูปนามปัจจุบันให้ชัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรูปนามหรือไม่ชัดเจนในรูปนามเวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นป๊อเนี่ยเราก็จะหาความคิดอีกอันหนึ่งมาแก้อันนี้คือมันจะยุ่งเอาความคิดไปแก้ความคิดเนี่ยมันมั่วเลยแหละเพราะฉะนั้นต้องการเอาความรู้สึกตัวตัวรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยให้ชัดเจนเมื่อจิตมาอยู่กับตัวนี้ป๊อ เพราะจิตมันมีขนาดเดียวเมื่อมาอยู่กับตัวนี้มันก็ต้องไปอยู่ตัวนั้นไม่ได้แต่ดูว่าทําไมมันรู้หลายอย่างก็เพราะว่าความถี่มันสามารถรู้ได้เร็วหมุนเร็วความถี่ของจิตแต่พอเราจับความถี่ของจิตอันหนึ่งมาอยู่กับอันหนึ่งชัดๆเสียเนี่ยมันก็หลุดจากอีกหนึ่งมันหมุนไปไม่ได้หมุนไปไม่ได้ดังนั้นเองในจุดนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์การเก็บอารมณ์คือการสรํารวมนั่นเอง เก็บกายเก็บวาจใเก็บใจมาอยู่ในปัจจุบันเก็บรูปเก็บตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่ในปัจจุบันได้ว่าเก็บอารมณ์เพราะตัวรูปตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีกายวายใจใจก็ดีมันเป็นตัวสร้างอารมณ์แต่อารมณ์มันไม่มีตัวโตนที่จะให้เก็บมันก็จะมาเก็บอายตนะเก็บเทวานเหมือนกับเราต้องการเก็บบ้านมาให้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 มันก็จะแยก <c oughs> ตัวรู้มันก็จะแยกจิตออกจากกายแยกกายจากจิตได้แยกรูปจากนามแยกนามออกจากรูปได้ <c oughs> คือหมายของว่าจิตมันสามารถแยกมาอยู่หน้าปัจจุบันสภาวะปัจจุบันที่เป็นรูปนามเราสังเกตว่ารูปนามมันมีสติรับรู้อยู่เมื่อมีความคิดอะไรบางอย่างเราก็เห็นก็เป็นนามรูป นี่เป็นนามรูปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านามรูปนี้ไว้ใจไม่ได้นะคืนปล่อยปละละเลยเดี๋ยวมันสร้างเรื่องนะเราก็ไม่ไม่ไม่ไปต่อเติมอะไรมันกลับมาอยู่รูปนามชัดชัดนามรูปก็หายไปแต่มเมื่อไรมาอยู่นามรูปปัจจุบันไม่ชัดน้ํารูปก็ปรากฏเพราะนารูปปรากฏเรายังไม่ ใส่ใจที่จะจัดการปรับเปลความรู้สึกให้ชัดนํารูปไปสร้างความคิดและตัวนี้มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนของมันอย่างนี้ขณะเองในช่วงของการเก็บอารมณ์การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเยื่อบดอะไองต่างนี่ให้ชัดไว้ก่อนมันอาจจะช้ากว่าปกติก็ได้เพราะาต้องการความชัดเจนแต่ว่าต้องระวังการกดกันเพ่งการจ้องการบีบบังคับตัวเอง คือทำทุกอย่างให้รู้สึกผ่อนคลายส บ, สบายๆแต่มีความระวังอยู่ในทีแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะตึงจะเครียดจะคลงิงจะไม่สบายอันนี้ไม่ถูกละอัะ น, นั้นเป็นตัวอยา่างเป็นตัวด่านหาวประธานเข้าไปจัดการแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวผ่อนคลายสบายๆเป็นตัวสติมีเป็นลักษณะประคองเราเข้าใจในสิ่งที่ทำเป็นลักษณะของตัวสัมมัญญาและปัญญาว่าเรากําลัางทําอะไรเพื่ออะไรซึ่งเป็นลักษณะของสัมมัญญะ ที่ได้กล่าวมาเมื่อวานว่าจะต้องรู้ถึงเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไรและก็ทำอย่างไรสะดวกสบายปโปรง่งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ให้กายกับใจมาโคจรอยู่ร่วมกันอย่างสมเสม อ, สมอแล้วคอยตรวจสอบทั้งสามประการนั้นใ ห, ให้ชัดเจนเอาไว้สำญนียงที่ว่ า, าเมื่อวานลองเอาไปฝึกใช้ดูในช่วงที่ปัจจุบันเราเข้านี่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 มีที่อยู่ความโปร่งเบาอิสระไม่เกลง็งไม่เจ็งไม่เครียดไม่วุ่นวายถึงแล้วแล้วมามเป็นลนักษณะเป็นมีความอยากเป็นที่อยู่มีความคิดเป็นที่อยู่มีความเป็นเจ้าของเป็นที่อยู่แต่พอเรามาฝึกตัวอิสระโปร่งเบาสบายผ่อนคลายจิตมันก็อยู่ง่ายทีนี้นั่นคือเป็นที่มาของความ สูงที่เราต้องการนะแล้วทำให้ชํชนานิชํานาญเพราะว่าเมื่อเราไปออกไปประกอบภารากิจหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยถ้าจิตเรามีที่อยู่อะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตมันก็หลบมาอยู่กับตัวนี้อะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตมันก็มาหลบอยู่ตัวนี้มันไม่ไปโดดเข้าไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆแล้วว่ากลับบ้านถูกจิตกลับบ้านถูกบ้านดั้งเดิมของจิตคือตัวนี้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 สอสาวันเนี่ยก็คือการเตรียมจิตขอเราให้พร้อมแล้วก็ในแต่ละวันเราจะให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของเวทนาระดับต่างๆเป็นยังไงรู้จักไหมเข้าใจไหมเราจัดการถูกต้องไหมก็ปรับวนไปปกับมาตอนนี้ก็หลายคนเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นชัดเพื่อจะให้แน่ใจว่าเออเราเข้าใจเห็นชัดสิ่งเข้าใจได้เห็นชัดถูกต้องรึเปล่าก็ลองไปอยู่คนเดียวดู ก็อยู่คนเดียวเรารู้สึกเออมันทําได้ต่อไปแล้วก็จะมีทักษะมีความเชีนยวชำนาญต่อไปต้องการเก็บบะโง์ตัวเองที่บ้านสักวันสองวันสามวั น, น, วนห้าวันเจดวันเราก็ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องเออจะต้ไปเก็บอารมณ์ที่นุ่นที่นี่ที่บ้านเราดีที่สุดแต่ว่าบ้านเรา <c oughs> ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงก็เก็บไม่ได้ถ้าเราไม่ชํานาญจริงก็เก็บไม่ได้เพราะมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายนัคือบรรยากาศที่ไม่เ อ, อื้อ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 เดินทางผ่านความโลภความโกรธความหลงมันก็พยายามที่จะยึดเราเข้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ฝึกศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นทางเดินแล้วเผลอปักมันก็โลภโกรธก็จะล็อกเราเข้าเป็นเจ้าของสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมเดินทางเราทีนี้เขาเรียกว่ายึดดังนั้นการเดินทางทางจิตมันเป็น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 มันไม่ยาวนะวัตถธรมสารของเราสั้นๆนะคือจิตของเราไม่ต้องไปท่องเที่ยวในวิชาต า, ารหาอุปทานเนะพราะมันมีที่อยู่แล้วไม่ต้องเล่ร่อนแลนะ้วจิตไม่เมื่อก่อนมันเล่่อนไปอารมณ์ต่างๆไปความคิดต่างๆใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่เล่ร่อนมันกลับมาอยู่ที่ชัดเจนนะตรงนี้เขาเรียกว่าเนียวเอานผพานไปที่พึ่ง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 ทางน้ําก็เลยวเป็นเหมือนแพหรือเรือที่อาศัยเพียงคําง้ากไม่ใช่ยึดเอาแพเอาเรือเป็นบ้านนะไม่ใช่ยึดเอาบ้านข้างทางเป็นที่อยู่แต่เราต้องการไปสู่เป้าหมายนะคืออิสราภาพที่เป้าหมายของเราเท่ น, นั้นนั้นเราต้องไปฝึกดูนะแล้วก็ในช่วงที่เข้าเก็บนั้นผู้ที่อยู่กลุ่มข้างนอกเอามาก็จะดูแล แต่ส่วนที่ไปเก็บตรงนั้นจะถือไปนูนอาจจะไกลเพราะเราผู้ที่อยู่ข้างนอกไปทานที่นู่นเพราะฉนั้นคนที่เก็บบะหมก็มานั่งฐานที่นี้โอเคไม่เคยเก็บเลยใช่ไหมถ้าเก็บสองวันได้ต่อไปก็เก็บสาวันได้เก็บสาวันได้ต่อไปก็เก็บเจ็ดวันได้ถ้าเก็บเจ็วันต่อไปก็เก็บสิบวันได้มันก็แปรถ้าเก็บนี่เพื่อเพื่อเพื่อจะเก็บข้างเดียวเราไม่ใช่ทะลุเป้าหมายมันก็ประหยัดเส้นทางของจิตเนี่ยสั้นลงไปเรื่อยๆ สมมติเส้นทางเราจะต้องเดินอีกสักร er ้อยกิโลเนี่ยเรเก็บครั้งนี้เราจะเก็บได้10กิโลเที่ยวต่อไปได้ถึง10กิโลระยะทางที่จะต้องเดินมันก็สั้นไปด้ถ้าเป็นอารมณ์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรกระทบปั๊บมันต้องคิดทั้งเข้าไปอยู่ในความคิดตั้งหลายนาทีสัก10นาทีอย่างเงี้ยแต่ทีนี้กระทบปั๊บมันเหลือแค่78นาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊บมันอาจจะเหลือ5นาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊บอาจจะเหลือสอานาทีเก็บครั้งต่อไปกระทบปั๊มอนุญะ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 แต่เวลาที่เราจะต้องมาทําให้จิตวิญญาณเขาเป็นอิสระจากสิ่งเนี้มันต้องทําให้มากพราะเราเป็นนักโทษของวัตฏสงสารมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วติดในคุกอันนี้เราก็น่าจะรู้วยจะคิดหลับขับจําังเนื่องชอบอยู่ในคุกนี้ตลอดมันก็ไม่ไหวอแล้วก็เอาตัวออกมาจากคุกซะบังออกมาจากคุกคือความคิดที่เกิดด้วยวิชาดันเอาปทะธานอะไเป็นคุกขังเรา ขังใจเราออกไปไม่ได้ในที่สุดเราก็มาสร้างคุกสร้างบ้านสร้างลูกสร้างเมีสยสร้างครอบครัวสร้างลำบวงวงสกุลสร้างพระราหน้าที่อะไรมากมายเป็นคุกหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นเข้าไปจนยากแก่การที่จะรูปบุพังมันออกมาแต่คนไหนที่สามารถออกมาคุกเป็นชั้นเป็นชั้นได้ก็โอกาสเป็นอิสระมากขึ้น <c oughs> มืนนกอะ มันกินต้นไม้กินผลไม้ได้ทุกต้นพอมันม่ไดอยู่ต้นไม้ต้นหนึง่งมันบินไปเรื่อยๆต้นไหนอร่อยมันกินต้นไหนไอร่อยก็เลือกได้แต่นกตัวใดตัวหนึง่งมันกินผลน้อยนี่อร่อยชมกินมะม่ว ง, งนะี่นะโอ้อร่อยมะม่วงนี่อย่ถือไว้สักสองสาลูกกันหน้านบินไม่ไหวแล้วดิเอามะม่วงไปด้วยเรื่อง ต้นพนว่าตัว น, นี้อร่อยฉันไม่หนีไปไหนเดี๋ยวก็ในพานเอามายิงไปกินเพราะไปติดที่จงนั้นเหมือนกันนะถ้าเราไปชอบอารมณ์ใดหนึ่งเราไปติดอยู่กับอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็มานก็ไปกินเพรา ะ, ะนั้นเราก็เป็นอิสาะเหมือนนกมีแค่ปีกหนึ่งเป็นรูปปีกหนึ่งเป็นนามบินไปได้ทุกทุกแห่งแต่ถ้ามีภาระหลายอย่างบินไม่ขึ้นเนะพราะอะไรติดแล้วติดบวงบินไม่ขึ้น ในผ่านเ่วงมาลัดเอาไว้หมดนะบวงโบราณอีสานว่าบวงคอปอผูกศอกปอกใส่เท้าบวงผูกคอคืออะไรบวงผูกคอก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือลูกออกไม่ได้ปอผูกศอกเชือกผูกศอกคืออะไรภรรยาสามี <c oughs> ปอกใส่เท้าคืออะไร ทัพสมบัต <sh> <religion> <that> ิหาไว้ทิ้งไม่ได้หาไว้ตลอดชีวิตอ่าทิ้งไปไม่ได้สามปอกนี่นั่นเวลาคนตายก็ถึงมัดตายสังสามสามันมัดตายสังเอาไว้ไม่ให้หลุดไปจากวัฏสงสารนั่นเองบวกข้อปอปบวกสอบปอกแต่เท่าคือราคาทูตสัตว์มหฮนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีลูกภริยาสามีไม่มีสมบัติมันจะปรัก จะแจกไปบ่วงก็ไม่ใช่เพอบ่วงที่ได้จริงคือราคาโทยสารมหะนั่นเองดัดบ่วงอันนี้ยพอตัดบ่วงอันนี้ได้การมีรูปภันยาสามีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรอะไรแต่ถ้าเราดัดบ่วงข้างในไม่ได้รูปภันยาสามีทรัพย์สมบัติก็เป็นตัวมัดให้แน่นกว่าอีกแต่ถ้าเราดัดบรรเทาราคาโทยสารมหัข้างในลงการมีทรัพย์สินสมบัติมีรูปพันยาสามีก็เป็นก็เป็นเพื่อน เครื่องประดับเป็นเครื่องมือในการแสดงให้สารภาพก็นั่นเองนั่นเองเราจะเห็นว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่มองเห็นได้ตั้งแ่เป็นอาชจรรย์เป็นอุจาสนีปฏิหารคือลําดับให้เห็นขั้นตอนได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าทําไปทําไปแล้วมันดีเองไม่ใช่มันก็เห็นกระบวนการขั้นตอนมันเป็นไปได้อย่างไรในพุทธศาสนา มันมีอทธิปริหารมีอาเทศนาปริหารมีอนุาสาสนีปริหารแต่พุทธิย่อไม่สนในสื่อนิที่บริหารอาเทศนาปริหารแต่สนในสื่อนอนุาสาสนีปริหารคือทุกคนสามารถเข้าใจได้ในขบวนการอ น, นั้นนะว่าเราจะไปดับทุนไปอย่างไรมีขบวนขั้นตอนอย่างไรเราจะออกปัญหาจุด น, นี้เราจะออกอย่างไรมีขบวนการขั้นตอนอย่างไรเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้มีความตั้งใจ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 วิธีการรักษาเยียวยาโรคไัยไขเก็บตัวเองแต่ในสีเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องประกอบเข้ามาปัจจัยสีก็เป็นปัจจัยเท่าไรนับไม่ท้วนนะเป็นปัจจัยที่หนึ่งร้อนะวันนี้จาก5คืขึ้นไปถึงหนึ่งอเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่เป็นจำเป็นนะเป็น unnecessary material ฉนะนั้นะนั้นก็จึงอยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่กิ มาเจอกันง่ายๆนะัในวิธีการพูดเหียนแล้วก็เป็นวิธีที่เราไม่ใช่รับได้ง่ายๆโดยเป็นวิธีรับได้ยากแต่คนไหนมาศึกษามาปฏิบัติรับได้เลยนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเป็นบุญเพราะคนอื่นที่เขารับไม่ได้ก็เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นรูแปแบบที่ที่แปล ก, แ, ปลกแตกต่างไปจากเพื่อนมันไม่ค่อยน่าวไว้ใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่รูอป่ า, า, ปา <c oughs> ถูกหรือเปล่ปา เ, เป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจ แต่หารู้ไว้อันนี้คือเป็นเส้นทางที่เราทิ้งมันมานานเราเพิ่งเห็นท่านเปลือกสมมุติว่าเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่คนทิ้งไม่เดินแล้วพุทธเจา้าท่านพาเดินมานานแล้วแต่คนทิ้งท่านเหมือนกับมาพบเส้นทางมันเป็นเขาอยู่เนี่ยก็ถางใบใหม่เส้นทางที่เขาเดินกันจนเป็ น, นโล่งโปง่งมันไม่ใช่เส้นทางที่ไปสู่ตัวนี้โบราณอีสานว่างไงทางเตียน เวียนไปนรกทางเตียนเวียนไปนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์นัอทางรบวกขึ้นสวรรค์นิพพานทางเตียนมักจะเวียนไปนรกทางรกวกไปนิพพานโบราณนิสานนั้นว่าอะไงนี่ดูมันทางรกๆบคือทางเก่าแก่ eh แหละมัไม่ไมไมค่มีใครเดินนะทางนี้เราก็มาเพลี่ยวมาทางมาเดินกันคนมาเดินใหม่ใหม่เอ้ยมันทางทําไมดูมันไม่ใช่ทางเลยเนะี่ยเพราะมันคนไม่เดินน่ะ เราก็สงสัยวันใช่หรือเปล่าอ น, นี้คือสิ่งที่เราต้องแยบคายพอสมควรนะเพราะนั้นเวลาปฏิบัตินาทีนี้เวลาปฏิบัติมันเกิดอารมณ์เบือ่ทอท้อถอยลังเลเราจะแก้อย่างไรตัวอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างยากน่ากลัวนะทำไป เก็มีแค่สองอย่างเดินโยกมุมสร้าวัฏจะเอาอะไรต่อไปอีกมันคิดอย่างเงี้ยอันนี้หมายความว่าเราเข้าไปถึงเนื้อในมันเราก็ไม่เอาจากเปลือกนอกแล้วจะทําเพื่ออะไรมันจะคิดขึ้นมาตัวตัวมารตัวนี้มันจะทำให้เราคิดอย่างงี้แต่ถ้าเราแยกคายเนี่ยตัวเดินโยกมุมสร้างังวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหลักแต่ตัวที่มันเกิดจากการกระทําเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องการดูตรงนั้นเหมือนกับเครื่องมือ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 อารมณ์ที่เป็นกุศลหรืกุศลที่มันมามันมามันมาอย่างไรเราก็ไปจับมันมาอ่าไปจับมันมาออาต้องใช้สติสมาธิปัญญาเหมือนหิงเหมือนแห่เหมือนเบ็ดเหมือนอวนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้มันเป็นถ้าใช้มันไม่เป็นบางคนไปนั่งตุกเบ็ดทั้งวันไม่ได้ปลาแซตัวก็มีแต่บางคนไปนั่งเท่าเบดเี๋ยวเดียวได้ปลามันเป็น พวงนี้ก็มีก็ต้องเหมือนกันแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาโดยเจริญอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นด้วยาใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นอย่างโยมนั้นไม่เคยตึกแหงไม่เคยหว่านแหงองไปหว่านด้วนี้นะ <c oughs> มันก็ต้องฝึกฝึกใช้ฝึกใช้สติฝึกใช้สมาธิฝึกใช้ปัญญาบ่อยๆเพื่อใช้มันเป็นตัวอารมณ์บาอย่างมาต้องใช้อะไรแก้อืมแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่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 ให้มันว่องไวมันชัดเจนเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆสติมันจะมาไวาทันการก็คือเมื่อคาต้องตอกย้ําในอารมณ์นั้นบ่อยๆจะรู้จักอาการสติเป็นอย่างไรมาเห็นให้ชัดอาการของสติมันเป็นอย่างนี้แล้วสติที่เป็นสัญญาณันยยเป็นอย่างนี้สติ ท, ท, ที่เป็นปัญญายันเป็ย่นี้เห็นชัดสติเป็นชัดฉันชัตจายนก็คือเวลาเรานั่งนานๆปวดแล้วเปลี่ยนไปอาการเปลี่ยนไปของ ของสัญชตาตญาณก็คือเปลี่ยนไปเพื่อหาความสบายอันนี้เป็นสัญชตาตญาณเป้าหมายคือความแก้ปัญหาขณะนั้นแต่ถ้าสติที่เป็นปัญญาญาณเป้าหมายคือต้องการสองด้านความสบายด้วยแล้วรู้ว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่สบายหายไปอย่างไรนี่สติตัวนี้จะเป็นตัวปัญญาญาณขึ้นมาเนี่ยฝึกใช้ ถ้าเราไม่ฝึกใช้เราก็มีแต่ด้านเดียวคือได้แต่สันชาตยานคือได้ความสบายก็จริงแต่ว่าความสบายมาอย่างไรเราไม่รู้แต่ความสบายมันหายไปยังไงเราไม่รู้อ่าเพราะเป็นสติชั้นเดียวแต่นี้เป็นสติชั้นที่สองที่สมที่สหลายระดับอ่าเราก็รู้ด้วยว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปปับตัวสัมปชัญญะ ตามเลยทีนี้สัมมาจคือติดตามดูอาการที่เปลี่ยนไปเมือีว่านั่งไปพอเปลี่ยนไปทับไปครั้งแรกมันรู้สึกสบายพอไปสักพักรู้สึกไม่สบายได้ใช่ไหมพอรู้สึกสบายสัมมาจก็ตามติดๆอ่าแล้วก็เป็นเหตุกให้เกิดปัญญาปัญญาก็บอกเออระดับนี้น่าจะทนได้อยู่ก็บอกทําไปเรื่อยๆพอไประดับนี้รู้สึกไม่ได้แล้วนะอันตรายแล้วนะ ปัญญาประชีเป้าสติก็ทําหน้าที่ปรแล้วก็ตามดูว่าเออความหนักไม่กี่หายไปอย่างนี้นะความเบาเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยคือทํรายละเอียงแต่ละตัวเขาสัมพันธ์กันนะแล้วการตั้งใจที่จะดูจะรู้จะเห็นเป็นสมาธิแล้วตัวตามสํารวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นตัวสัมปชัญญะเมื่อสํารวจไปแล้วมันไปสู่ภาวะที่ไม่พึงปรารถนาที่จะแก้ไขอนะไรเป็นปัญญา แล้วเกิดการแก้ไขอย่างมีจังหวะชัดเจนเป็นสติเห็นไหมมันสัมพันธ์กันตลอดในตัวนั้นอะ่ะแต่ว่าเวลาเราไปฝึกปฏิบัติก็กกไม่จําเป็นจะไปทักชื่อทักเสียงหรือไปนึกถึงภาวะเหล่านี้เรามันเป็นบัญญัติที่จะมาช่วยใช้ให้เห็นขายายขบวนการขั้นตอนของนามธรรมาให้เห็นชัดเท่านั้นเองแต่เพียงเท่านเรา เ, เร า, เ ร, ารับรู้ว่าการเคลื่อนการไหวมีความรู้สึกตัวชัดเจนแล้วก็สบายเกิดขึ้น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 แต่วหวังว่าคุณอุตต่อไปจะมีโอกาสกับเขาบ้างเนาะเที่ยวนี้เป็นเป็นผู้บริการเป็นผู้รับบริการสั่งสมผู้สวนไว้ก่อนยมมาเที่ยวนี้ถือว่ามาสร้างบา ร, รมีเนาะต่อไปก็มีโอกาสให้เก็บอารมณ์กับเพื่อนพองเนาะยมผู้หญิก็เช่นเดียวกันนะอยะ่าทอนะกลับไปนี่ไปโทษ คุณสามีไม่ได้พาฉันมาทําไมเนี่ยมาอะไรเอามาฉันมาทรามานเอาไปเป็นเล่นงานเพราะสามีใหญ่ไม่เอานะเออขอบใจนี่ฉันพาฉันมาสร้างบา ร, รมีนะเออฉันจะได้มีความสุขเขามั่งอะไรเนี่ยความสุขทั้งโลกนี่สุข ม, มากแล้วเนาะหาความสุขทางธรรมบ้างความสุขทางธรรมนี่มันเอาไปด้วยได้นะเอาไปถ้าสมมุติว่าเรายัางไปมรรคผลนิพพานฉันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมบา ร, รมียังไม่เต็มแล้วก็เป็น ตัวหนุนทีไปไปเจอไปเจอชาติหน้าไปเจอพระฟังทำแล้วอาจจะบรรลุธรรมเลยก็ได้ไม่ต้องมาปฏิบัติให้ลาบากเพราะชาตินี้มาสั่งสมมาเยอะแล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะเห็นว่าสาวกของพระพาทธ้าบางคนฟังธรรมไม่เท่าไหร่ก็บรรลุเลยเพราะได้สร้างในอดีตมามากมายเพราะเขาฟังธรรมเขาบรรลุเลยบางคนฟังแล้วโอ้โหสิปี20ปีอย่างพระนุนฟังมายี่้าปียังไม่บรรลุเลยเพราะในอดีตไม่ได้สั่งสมอะไรมามากนักสั่งสมเต็มโเรียนหนังสือนี ไม่ได้ปฏิบัติพ อ, พอพอท่านบรรลุทําได้แล้วโอ้โหไอสิ่งที่ท่านเรียนมาเนี่ยพระสูตทั้งหมดท่านเป็นคนสังเกนามหมดเลยพรานุนอันจอาจำมาเยอะแต่ดื่ปฏิบัติมานักบารีทุกวันในเรียนตั้งแต่ประโยนยหนึ่งเก้าแต่ไม่ปฏิบัติเลยพวกนี้ก็จะไปเจอพระพุทธเจ้าอีกก็จะได้บรรลุธรรมเพราะไม่รู้อย่พาพระนนอยู่พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนพระพุทธเจ้าปรินิพานไปก็ยังไม่ไบรรลุทําเลยใชนะ่ไหม อั น, นเพราะฉะนั้นถือว่ า, าการสั่งสมเอาไว้เนี่ยมันมีผลทั้งดีทั้งขึ้นทั้งรองน ะ, ะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้เราจะรับประทารข้างหน้านจะขออนุถนนาสาธุสํำหรับคนที่ตั้งใจจะเอาเข้าเก็บอารมณ์แล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็เก็บอารมณ์รวมกันพราะเรามีเวลาน้อยแล้วก็สถานที่พร้อม จะมีฟ้าฝนตกลองอกมาก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราข้งังมีศรัทธาและความตั้งใจมีความเพียรอย่างต่อเนื่องอขอให้การตั้งใจเกี่ยวโลกคบั้อนี้เป็นผลให้เราได้ที่อยู่ที่แท้จริงของเราด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ